13. ขอบเขตของการศึกษาเรื่องไตรสิกขาวงเล็บเปิด28มีนาคม2551ในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีหนึ่งวงเล็บปิดชาวพุทธทุกคนมีหน้าที่ศึกษาธรรมะไม่ศึกษาไม่ได้ถ้าไม่ศึกษาธรรมะก็ถือว่าไม่ใช่ชาวพุทธการศึกษาธรรมะก็มีทั้งภาคปริยัตคือการฟังการอ่านซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้มาจากคนอื่น ปฏิบัติก็คือลงมือเรียนรู้ตนเองปฏิเวทก็คือเข้าใจตนเองเกิดความรู้ด้วยตัวเองฉะนั้นงานจริงๆก็คืองานเรียนบทเรียนสามบทได้แก่ศีลสิกขาจิตสิกขาและปัญญาสิกขาศีลสิกขาคือเรียนเรื่องศีลทําอย่างไรจิตใจเราจะปกติจะไม่ถูกกิเลส ช, ชั่วหยาบครอบงําจิตสิกขาคือเรียนเรื่องจิต ทำอย่างไรจิตเราจะตั้งมั่นควรแก่การงานในการเจริญวิปัสนาปัญญาสิกขาคือเรียนเรื่องปัญญาวิธีเจริญวิปัสนาถ้าเราเจริญในศีลและสิกขาจิตสติกขาและปัญญาสิกขานะวันหนึ่งอริยมรรคจะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านก็เทียบบอกเหมือนชาวนาชาวนาทำนาไปหน้าที่ของชาวนาก็คือไปไถนาไปหวานข้าวแล้วก็เอาน้ำเข้านาน้ําน้อยก็เอาน้ําเข้า น้ำมากก็เอาน้ําออกถึงวันหนึ่งข้าวก็ออกรวงเองต้นข้าวมีหน้าที่ออกรวงชาวนาไม่มีหน้าที่ทําให้ข้าวออกรวงออกแทนต้นข้าวไม่ได้ชาวนาทําสิ่งที่เอื้ออํานวยแล้วข้าวออกรวงเองเราก็ทําสิ่งที่เอื้ออํานวยแล้ววันหนึ่งจิตจะบรรลุมรรคผลเองท่านสอนนะไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลได้หรอกจิตบรรลุเองหลวงพ่อพูดอย่างนี้มานานแล้วนะสักยี่สิบปีแล้ว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 กำหนดมันเป็นภาษาเขมรแปลวะ่ากฎไปกฎไว้ไปข่มไว้มันคืออัตตะกิละมัฐานุโยกสุดโตรงไปทางข้างบังคับใช้ไม่ได้หรอกแต่ถ้ามีเหตุสติถึงจะเกิดหรือกิเลสก็เหมือนกันเราจะไปสั่งไม่ให้มันเกิดไม่ได้หรอกกิเลสไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับของเราถ้ามีเหตุกิเลสก็เกิดถ้าไม่มีเหตุกิเลสก็ไม่เกิดอย่างความโกรธจะเกิดได้เราต้องมีอนุสัยขี้โมโหอยู่ก่อนมีสันดานขี้โมโหอะไรอย่างนี้ แล้วไปกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจแล้วจิตมันตัดสินว่า น, นี่ไม่ดีไม่ถูกแล้วโกรธขึ้นมาถ้าไม่มีอนุสัยขี้โมโหนะถูกเขาด่ามาสามวันยังไม่โกรธเลยถ้าอนุสัยขี้โมโหแรงเขามองหน้าก็โกรธแล้วหรือมีอนุสัยขี้โมโหแต่ผัสสะมันดีๆมีแต่คนเอาใจนะก็ไม่โมโหสิหรือมีแต่คนขัดใจแต่ไม่ได้คิดลืมคิดไปก็ไม่โกรธใช่ไหมเงื่อนไขมีหลายตัวอย่างเราขับรถอยู่คนมันปาดหน้า เรากำลังใจลอยหรือกําลังฟังซีดีของหลวงพ่ออยู่กําลังเผลอๆไปนะไม่ได้สนใจว่าเขาขับรถปาดหน้าไม่ได้คิดก็ไม่โกรธสิถ้าคิดสักหน่อยนะตัดสินสักหน่อยว่าไม่ดีถึงจะโกรธหรือตัดสินว่ามันดีถึงจะรักมันสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งสิ้นไม่มีอะไรเกิดลอยๆอยไม่มีอะไรฟรีๆด้วยทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งหมดเลยฉะนั้นชาวพุทธจะอุดมไปด้วยเหตุผลแต่ชาวพุทธตัวปลอมจะไม่มีเหตุผล เช่นคิดว่าว้าเทวดาองค์นี้แล้วเจอรวยไม่รวยหรอกว้เทวดาไม่รวยหรอกอยากรวยก็ต้องทำมาหากินรู้จักใช้ชีวิตพอเหมาะพอสมรู้จักคบคนที่ ด, ดีรู้จักเก็บรักษาทรัพย์สมบัติอย่างนี้รู้จักลงทุนนี่เหตุกับผลต้องตรงกันนะอยากได้มรรคผลนิพพานก็ต้องทำเหตุที่จะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานศีลอะไรที่เราไม่มีศีนอะไรที่เราด่างพร้อยก็สารวมระวังแต่ละคนทาผิดศีลได้นะ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 หาทางหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปอย่าไปทําถ้าทําแล้วก็ต้องมีผลมีวิบากแน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าเคยฆ่าคนมาหนึ่งคนแล้วจะต้องภาวนาไม่ได้ไม่ใช่ในขณะนี้ไม่ได้ฆ่าอย่าว่าแต่พวกเราเลยนะพระองค์คุลีมานฆ่าคนตั้งพันใช่ไหมแต่ในขณะที่ท่านปฏิบัติธรรมท่านไม่ได้ฆ่าองค์คุลิมานที่ฆ่าคนกับองค์คุลิมานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยคนละคนกันมันคนละวาระกันรูปธรรมก็เปลี่ยนไป นามมารมก็เปลี่ยนไปเปลือกหรือรูปร่างหน้าตาคล้ายๆเดิมแต่รูปธรรมนามธรรมาได้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วแต่ถามว่ามีผลไหมที่ไปทํำบาปเอาไว้ก็มีผลนะไม่ใช่ไม่มีผลท่านเป็นพระอรหันต์เสียก่อนจึงไม่ต้องไปตกนรกแต่ท่านไปที่ไหนคนก็เอาก้อนหินคว้างท่านไล่ตีท่านอากุศลยังมีไม่ใช่ว่าไอ้คนที่ท่านฆ่าจะต้องมาตีท่านนะคนระเรื่องชาวพุทธอย่าไปคิดอย่างนั้น กดแห่งกรรมมันไม่ซื่อบื้อขนาดนั้นหรอกญาติพี่น้องเขาเจ็บแขนเขาก็มาตีเอานี่รับผลกรรมทีนี้ท่านรู้ปัจจุบันท่านก็พ้นไปได้ฉะนั้นศีลถ้าเราประมาทพลาดพลังไปแล้วก็สมรวมระวังจะไม่ทำอีกไม่พลาดอีกแล้วก็อย่าไปคิดซ้ำอกุศลที่ทำไปแล้วเราคิดซ้ำนะจิตมันจะขึ้นวิถีเอาอากุศล น, นั้นใหม่ อย่างเราเคยบี้มดตัวหนึ่งแล้วเราคิดวันละพันครั้งก็คือบี้พันตัวเคยให้ทานสามบาท 2, สองเสลืงอะไรอย่างนี้คิดทุกวันเลยคิดวันละร้อยครั้งก็ได้คูณเข้าไปนะคิดแล้วจิตใจเบิกบานแต่ถ้าคิดว่าคิดบ่อยๆแล้วได้บุญเยอะนี่โลภเกินไปแล้วอันนี้คิดแล้วไม่ได้นะโลภเกิดแล้วก็ให้รู้จักนะต้องฉลาดฉลาดในการดารงชีวิตแล้วก็จะรักษาศีลได้ไม่ยากเท่าไหร่ ยิ่งถ้าเราฝึกสตินะจะเกิดศีนอันตโนมัติถ้าเรามีสติมากๆศีนเกิดอัตโนมัติโดยไม่ต้องสำรวมมันเกิดเองเขาเรียกว่าอินรียสังวรศีเช่นตากระทบรูปเห็นคนนี้แล้วอยากเป็นชู้กับเขานี่สติรู้ทันปับ๊บไม่เป็นชู้กับเขาหูกระทบเสียงเขาด่าอยากจะฆ่ามันแล้วรู้ทันว่าอยากฆ่าแล้วไม่ไปฆ่าเขานี่ศีนมันเกิดเองเพราะกิเลสมันครอบงาจิตไม่ได้ นี่เรียกว่าอินสียสังวรศีลอีกอันหนึ่งเรียกว่าอริยกันตศีลศีลที่พระอริยะชมเชยศีลทั่วๆไปนะมันมีศีล์ห้าสีล์แปดสีล์สองอยี่สิเจ็ดสีนของภิกษุณีมีสามร้อยกว่าอะไรอย่างนี้อินสียสังวรศีลมีหคือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอริยกันตศีลมีหนึ่งสีลที่พระอริยะชมเชย คือสภาวะที่จิตเป็นปกติฉะนั้นเราค่อยฝึกนะจิตเราจะเป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงำค่อยฝึกไปศีลมันก็ค่อยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเรียนทีแรกก็แบบสำรวมระวังเอาตั้งใจเอาไว้ก่อนว่าจะไม่ผิดศีลห้าต่อมาเจริญสติมากขึ้นมากขึ้นมันก็เกิดอินทรียสังวรศีลต่อไปเกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาก็เป็นศีลที่สมบูรณ์แบบแล้วศีลอัตโนมัติ ทีนี้เรียนเรื่องศีลแล้วก็ต้องมาเรียนเรื่องจิตหลายคนมีวาทะหลายคนมีทิฐิว่าจะไม่เรียนเรื่องจิตจิตเป็นของยากจะเอาไวเรียนตอนหลังต้องเรียนเรื่องกายก่อนลืมไปว่าบทเรียนที่สองที่ชาวพุทธต้องเรียนเรียกว่าจิตสิกขาเราต้องเรียนเรื่องจิตตัวเองต้องรู้ว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลถ้าไม่รู้ใช้ไม่ได้นะต้องรู้ว่าจิตชนิดไหนใช้ทำสมถะ จิชนิดไหนใช้ทําวิปัสสนาต้องรู้มิฉะนั้นเราจะหลงเอาจิต ท, ที่เป็นอกุศลหรือไปสร้างจิตอกุศลขึ้นมาแล้วคิดว่าปฏิบัติทำรรอยู่พวกเราเป็นเยอะนะผู้ปฏิบัติที่ไม่ได้ศึกษาจิตใจเนี่ยยกตัวอย่างเราอยากปฏิบัติปุ๊บเรากําหนดปับ๊บใจเราแน่นๆขึ้นมาสมมุติว่าเรากําหนดลมหายใจปุ๊บใจก็แข็งแข็งขึ้นมากําหนดท้องพองยุบใจก็แน่นๆขึ้นมากําหนดเท้ากําหนดมือใจก็แน่นๆขึ้นมา ถ้าเราเรียนเรื่องจิตให้ท่องแท้เราจะรู้เลยว่าจิตที่หนักจิตที่แน่นจิตที่แข็งจิตที่ซึมจิตที่ทื่อนี่คืออากุโซรจิตทำไมอยากปฏิบัติธรรมแล้วเกิดอากุโซลจิตทำผิดนะสิโลภะมันเกิดเสียก่อนแล้วอยากปฏิบัตินั่นโลภะเกิดแล้วทันทีที่ลงมือปฏิบัตินะสิ่งที่ทำเนี่ยไม่มีอะไรมากกว่าอัตตะ ก, กิลมฐานุโยคคือการบังคับตัวเองนึกออกไหม เวลาเราลงมือปฏิบัติเราจะบังคับตัวเองเช่นเราหายใจมาตั้งแต่เด็กไม่เหนื่อยนะพอเราคิดเรื่องกำหนดลมหายใจนะลมหายใจนี่ทําความเหน็ดเหนื่อยให้เรามากเลยท้องเราพองท้องเรายุบมาตั้งแต่เกิดไม่เป็นอะไรเรามากำหนดแล้วนั่นแน่นขึ้นมาเราเดินชอปปิ้งตั้งหลายชั่วโมงไม่เป็นอะไรใช่ไหมแต่เดินจงกรมไม่ได้จะย่อไปทั้งตัวเลยจะเคล็ดขัดยอกเพราะเดินผิดท่าไปดัดแปลงมันนี่ให้รู้ทันนะมันไม่ใช่ ในพระอภิธรรมสอนเอาไว้อันหนึ่งบอกว่ากิเลสเป็นสหชาติปัจจัยของกรรมกิเลสเป็นตัวทำให้เกิดการกระทำกรรมก็จริงนะแต่ขณะที่กระทำกรรมด้วยอำนาจของกิเลสนี่กิเลสจะยังอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากปฏิบัติธรรมแล้วเราลงมือปฏิบัติในขณะที่ลงมือปฏิบัติตลอดสายนั้นความอยากก็จะยังอยู่เมื่อจิตถูกอกุศลครอบงาอยู่สติตัวจริงจะไม่เกิดขึ้น เพราะสติจะเกิดร่วมกับอกุศลไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้นที่พวกเราภาวนาแล้วเครียดภาวนาแล้วเคล็ดขัดยอกคอแข็งหลังแข็งภาวนาแล้วเป็นบ้าเป็นหลังอะไรนี่เพราะว่าทําผิดไม่เรียนให้ดีเสก่อนไปหลงสร้างอากุศลแล้วคิดว่ากําลังจเจริญกุศลอยู่แต่ถ้าจิตเป็นกุศลอย่างแท้จริงนะจิตจะอ่อนโยนจิตจะนุ่มนวลจิตจะเบาคล่องแคล่วว่องไว จิตจะไม่มีกิเลสนิวรผลักดันครอบงำให้ปฏิบัติจิตจะรู้อารมณ์อย่างซื่อๆรู้อย่างซื่อตรงไม่แทรกแซงแทรกแซงเกิดจากกิเลสทั้งสิ้นเลยเช่นเห็นราคะแล้วไม่ชอบมันเห็นความสงบสงัดในใจแล้วชอบมันนี่กิเลสแทรกแล้วมีกิเลสขึ้นมาพยายามผลักดันมันมีกุศลขึ้นมาพยายามรักษามันเอาไว้นี่แทรกแซงแล้วจิตที่เดินวิปัสสนาจริงจะไม่เป็นอย่างนั้น ถ้าเมื่อไรเราภาวนาแล้วจิตเราหนักๆขึ้นมาทำผิดแล้วภาวนาแล้วจิตแน่นๆแข็งๆทำผิดแล้วถ้ามันหนักก็ไม่ใช่ลหูตาไม่เบาถ้ามันแน่นก็ไม่ใช่มูทุตาไม่นุ่มนวลถ้ามันทื่อๆภาวนาแล้วก็ทื่อๆนะคล้ายๆซอมบี้เหมือนแฟรงเกนสไตล์อะไรอย่างนั้นนะตัวแข็งๆภาวนาแล้วทำอะไรก็ตัวแข็งๆ ไม่ใช่นะไม่ปราดเปรียวไม่ว่องไวเนี่ยไม่มีปาคุณยตาเสื่องซึมซึเสื่องๆจิตที่ซึเสื่องๆนี่อกุศลจิตแล้วอุชุกตาคือซื่อตรงในการรู้ไม่เข้าไปแทรกแซงสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่ฉะนั้นต้องดูให้ดีนะว่าจิตเราเป็นกุศลหรืออกุศลแน่แล้วกุศลบางอย่างใช้ทําสมถะกุศลบางอย่างใช้ทําวิปัสนาจิตที่ใช้ทําวิปัสนาเนี่ยเป็นจิตที่เป็นกุศลนะ มีความเบามีความอ่อนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวอะไรอย่างนี้แต่ถ้ารู้อารมณ์อันเดียวเจตนารู้เรียกว่า ส, สังขาริกังเจตนารู้มันเช่นอยากให้ใจสงบนะเราก็เจตนาไปรู้ลมหายใจไปรู้ท้องพองยุบไปรู้ยกเท้าย่างเท้าเจตนารู้แต่จิต ท, ที่เดินวิปัสสนานเนี่ยมันรู้ขึ้นเองเรียกว่าอสังขาริกังอันนี้ในตำราไม่มีนะ ตำราแยกไม่ละเอียดขนาดนี้นี่หลวงพ่อแยกมาจากการปฏิบัติคือหลวงพ่อพบว่าจิตที่เดินวิปัสสนาได้จริงต้องไม่จงใจให้เกิดถ้าจงใจให้เกิดนะจิตดวงนั้นยังไม่มีคุณภาพทื่อๆไปหน่อยฉะนั้นเราต้องทำเหตุให้เกิดสติคือหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆพอสติเกิดเองเนี่ยจิตดวงนี้จะมีคุณภาพสูงจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลใดๆก็ตามนะถ้าเกิดขึ้นโดยต้องจงใจให้เกิด จะเป็นกุศลหรืออกุศลที่มีกําลังอ่อนแต่จิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องชักจูงให้เกิดจะเป็นกุศลหรืออกุศลที่มีกําลังกลา้าฉะนั้นถ้าเราฝึกไปเรื่อยเราหัดรู้กายเราหัดรู้ใจนะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยจนจิตมันจําสภาวะได้แม่นการที่จิตจําสภาวะได้แม่นเรียกว่ามีธิรสัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติสติเกิดเองโดยไม่ต้องเชิญให้เกิดไม่ต้องจงใจ เช่นเราหัดรู้สึกนะยังสายหลวงพ่อเทียนขยับไปแล้วก็หัดรู้สึกตัวไปหายใจไปก็หัดรู้สึกกายรู้สึกใจไปดูท้องพองยุบก็หัดรู้สึกกายรู้สึกใจไปไม่ไปบังคับรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆพุดโทรไปแล้วก็หัดรู้กายรู้ใจไปเรื่อยมีกรรมฐานอันใดอันหนึ่งเป็นแบ็กกราวด์วงเล็บเปิดวิหารธรรมคอมม่าเครื่องอยู่วงเล็บปิดเอาไว้เท่านั้นเอง แล้วก็มาคอยรู้กายคอยรู้ใจเอาไว้ฝึกอย่างนี้นานไปนะจิตมันจะจำสภาวะได้แม่นพอร่างกายเคลื่อนไหวแวบสติเกิดจิตเคลื่อนไหวปับ๊บสติเกิดเกิดเองทันทีที่สติตัวจริงเกิดจิตจะเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัติเพราะจิตไม่มีนิวรณ์ครอบงาในขณะนั้นจะเกิดสมาธิขึ้นมาทันทีที่สติเกิดจิตเป็นกุศล จิตที่เป็นกุศลเนี่ยจะมีโสมนัสเวทนากับอุเบกขาเวทนาจัดอยู่ในกลุ่มของความสุขทั้งคู่นะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิพอเรามีความสุขในการทำอะไรเราก็จะมีสมาธิคือเกิดความตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจตรงนี้ก็ต้องเรียนอีกนะจิต ท, ที่ตั้งมั่นกับจิต ท, ที่ตั้งแช่ไม่เหมือนกันจิต ท, ที่ตั้งมั่นจะเห็นไตรลักษณ์นะจิต ท, ที่ตั้งแช่เข้าไปเกาะนิ่งๆอยู่กับอารมณ์เช่น รู้ลมหายใจก็ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ท้องพองยุบก็ไหลไปอยู่ที่ท้องเดินจงกรมจิตก็ไหลไปอยู่ที่เท้าอันนี้เรียกว่าจิตเข้าไปตั้งแช่อยู่กับตัวอารมณ์เมื่อใดจิตเข้าไปเกาะอยู่กับตัวอารมณ์เรียกว่าอารามานูปนิชฌานคือการทำสมถกรรมาฐานฉะนั้นบางคนยกเท้าย่างเท้าไปเรื่อยนะตัวลอยตัวเบาตัวครงรู้สึกบูบวบวบวบวบอะไรอย่างนี้อันนั้นไม่ใช่วิปัสนาญาณ วิปัสนาญาณเป็นชื่อของปัญญาไม่ใช่ชื่ออาการทางร่างกายเป็นเรื่องของปัญญาอันนั้นเป็นผลของสมถะทั้งสิ้นอย่างที่เรากำหนดเท้าไปเรื่อยกำหนดท้องกาหนดลมไปเรื่อยเกิดสมถะมีปิติขึ้นมาเกิดขนลุกขนชันเกิดตัวลอยตัวเบาตัวโคลงตัวเล็กตัวใหญ่ตัวลอยบางคนลอยนะลอยจริงๆเลยลอยทางสรีละลอยขึ้นจากพื้นมีครูบาอาจารย์ลอยได้หลายองค์ หลวงปู่ดูลก็ลอยได้นะอาจารย์สมชายก็ลอยได้ยกตัวอย่างท่านที่ไม่อยู่แล้วนะอันนั้นเป็นผลของสมถะทั้งสิ้นฉะนั้นเราต้องรู้จักนะจิตชนิดไหนมันเป็นสมถะจิตชนิดไหนเป็นวิปัสสนาต้องเรียนถัดจากนั้นก็เจริญปัญญาศิกขาวิธีเจริญปัญญาศิกขาก็คือเรามีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจที่กาลังปรากฏด้วยจิตที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิพอมีสตินะ รู้ทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นในกายในใจในระหว่างที่รู้ทุกสิ่งที่ปรากฏในกายในใจจิตตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิจิตสักว่ารู้สักว่าเห็นจิตไม่ถล่มเข้าไปจมไปแช่อยู่กับอารมณ์ใดๆถ้าหากขาดสัมมาสมาธิปัญญาจะไม่เกิดจำเอาไว้นะเพราะว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานี่อภิธรรมสอนเป๊ ะ, เ, ปะเลยนะหลวงพ่อเมื่อก่อนไม่ได้เรียนอภิธรรมหรอกภาวนาเอา ภาวนาจนพออกพอใจแล้วก็เอาอภิธรรมมาศึกษาพบว่าโอ้อัศจรรย์นนะมันตรงกันเป๊ะ เ, เลยแต่ถ้าเราไม่ได้ภาวนาก่อนเราไปเรียนอภนิธรรมเราจะตีความตามกิเลสของเรามันตีความอย่างทุกให้รู้บอกให้รู้สภาวะของรูปนามนะพอลงมือปฏิบัติจริงจะไม่รู้หรอกจะไปกําหนดเอาเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยฉะนั้นคนที่เรียนอภนิธรรมมากๆเวลาลงมือปฏิบัติก็ติดสมถะได้อีกแปลก เพราะว่าไม่เห็นสภาวะคือถ้าเราเรียนสภาวะให้แจ่มแจ้งเสียก่อนนะแล้วภาวนาเราจะเข้าอกเข้าใจแล้วเราทบทวนเปรียบเทียบด้วยตำราจะพบความอัศจรรย์ว่ามันตรงกันเป๊ะเลยปริยัติปฏิบัติปฏิเวชนี่อันเดียวกันเลยตรงกันเป๊ะๆยกเว้นตำราชั้นหลังๆนะตำราที่แต่งเพิ่มเติมขึ้นมาทีหลังก็มีเยอะเหมือนกันอย่างพูดเรื่องหัยรูปหัยวัตถุบอกเป็นน้ําเลี้ยงหัวใจสีต่างๆ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 สติจะไประลึกในขณะนั้นไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะในขณะที่อกุศลเกิดเนี่ยสติจะไม่เกิดมันจะเป็นการตามรู้แต่ตามรู้แบบกระชั้นชิดนะเห็นหางของกิเลสไหวๆเพิ่งดับไปไหวๆนี่เรารู้ขึ้นมาการตามรู้แบบกระชั้นชิดอย่างนี้เรียกว่าปัจจุบันสันตติถือว่าเป็นปัจจุบันเหมือนกันแต่เป็นปัจจุบันสันตติไม่ใช่ปัจจุบันขณะส่วนการรู้กายรู้ลงปัจจุบันขณะได้รู้เวทนาได้ไหม เราพอรู้ได้ดูลงไปมันกำลังปวดรู้ว่ากำลังปวดรู้ได้อยู่ฉะนั้นรู้รูปนะรู้ลงปัจจุบันรู้จิตรู้ใจก็ตามรู้เอาตามรู้ด้วยจิตที่ตั้งมัน่นสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่ก็จะรู้เลยว่าทุกสิ่งที่จิตรู้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีถ้าใจเราตั้งมั่นขึ้นมาแล้วปัญญาจะเกิดปัญญาเห็นอะไรปัญญาเห็นไตรลักษณ์นะ สติเห็นอะไรสติเห็นสภาวะของรูปธรรมนามธรรมปัญญาเห็นลักษณะปัญญาเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่มีปัญญารู้ว่านี่มือนี่เท้านะนี่ไม่ใช่ปัญญาปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นนี่เป็นรูปไม่ใช่เรารู้สึกได้อย่างสาวนี่เมื่อมาอยู่วัดเนี่ยมาเล่าให้หลวงพ่อฟังวันหนึ่งเห็นเฟื่องฟ้าปุ๊บขณะที่ตามองเห็นนะ เห็นรูปไม่รู้ว่าอะไรเสร็จแล้วสัญญามันปรุงขึ้นมานี่ต้นเฟือฟอเฟ่องฟ้าดอกเฟื่องฟ้าขณะที่เห็นรูปกับขณะที่คิดขึ้นมานี่คนละขณะกันขณะที่รู้ปรมัตดกับขณะที่รู้บัญญัตินี่คนละขณะกั น, ปปกญญ น, น, กนพอเห็นตรงนั้นแล้วอะไรเกิดขึ้นจิตสถานสะเทือนหวั่นไหวขึ้นมาตัวเราไม่มีโลกธาตุทั้งหมดนี่ทั้งตัวเราทั้งสิ่งภายนอกทั้งคนทั้งสัตว์อื่นๆทั้งหมดนะ ล้วนเป็นรูปธรรมและนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นตัวเราไม่มีถึงขนาดร้องห่มร้องไห้ออกมาเลยตัวเราหายไปถ้าจเจริญสติแล้วก็มีสัมมาสา ม, มาธิถูกต้องนะปัญญามันจะเกิดมันเห็นไตรลักษณ์พอเห็นไตรลักษณ์ด้วยจิตใจที่มีคุณภาพแบบนี้มันจะสถานสะเทือนเข้าถึงจิตถึงใจไปลบล้างกิเลสได้ถ้าดูแล้วไม่ถึงจิตถึงใจรู้ด้วยการคิดนี่เข้าสมองไม่เข้าใจล้างกิเลสไม่ได้ เพราะกิเลสไม่ได้อยู่ในสมองกิเลสอยู่ในจิตใจนี้ฉะนั้นต้องเจริญสตินะมีศีลศึกษาเรื่องจิตให้ถ่องแท้จนรู้ว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลอกุศลชนิดไหนทำสมถะชนิดไหนใช้ทำวิปัสสนาและมาเรียนเรื่องการเจริญปัญญารู้ว่าการรู้รูปรู้ลงปัจจุบันไปการรู้จิตรู้ใจตามรู้ไปเรื่อยๆตามรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่ ก็จะเห็นไตรลักษณ์วิปัสสนานั้นไม่ใช่การรู้รูปนามจำเอาไว้นะวิปัสสนาไม่ใช่การรู้รูปนามเพราะการมีสติรู้รูปนามเป็นแค่สมถะต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสสนานะไม่อย่างนั้นยังขึ้นไม่ถึงวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามเห็นว่ามันเกิดแล้วมันดับไปเห็นว่ามีแล้วมันไม่มีมันไม่มีแล้วมันมีขึ้นมานี่เรียกว่าเห็นอนิจจังเห็นว่าสภาวะทั้งหลายนี่ทนอยู่ไม่ได้หรอก ถูก บ, บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเห็นทุกขังทุกขลักษณะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราอย่างรูปเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานำมาทำทั้งหลายมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่การบังคับไม่ได้ไม่ใช่เรานี่เรียกเห็นอนัตตาอนัตตาของรูปกับอนัตตาของนามมีมุมที่เหลื่อมกันนะสิ่งเหล่านี้ต้องเข้าใจนะแต่ถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอก การปฏิบัติจะง่ายนิดเดียวเลยง่ายที่สุดเลยง่ายถึงขนาดว่าไม่ต้องทำอะไรนะเราเห็นรูปเห็นกายนี้ทำงานเราเห็นจิตนี้ทำงานแต่เราไม่ทำอะไรเราแค่เห็นแค่รู้นะเพราะในสติ ป, ปัฏฐานมีแต่คำว่ารู้มีกิริยาอยู่คำเดียวคือคำว่ารู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ยืนเดินนั่งนอนก็รู้สุขทุกข์เฉยๆก็รู้เป็นกุศลอกุศลก็รู้ เหลือคำเดียวคือคําว่ารู้เราฝึกจนกระทั่งเราเข้ามาถึงคําว่ารู้รู้อย่างเดียวรู้รูปรู้นามรู้อย่างที่เขาเป็นไม่ใช่ฝึกกําหนดนะกําหนดนี่จะไปนิ่งไปแช่ใช้ไม่ได้หรอกทําผิดแน่นอนมันเป็นสมถะเรื่องที่เทศให้ฟังนี้คือขอบเขตที่เราต้องศึกษาทั้งหมดเลยไปเรียนเอานะอาวิมุตติมรคไปอ่านอ่านยากนิดนึงอดทนฟังซีดีไปเรื่อยๆแล้วจะอ่านง่าย ถ้าไม่ฟังซีดีเลยอยู่ๆไปอ่านอ่านยากฟังซีดีไปเรื่อยๆหลวงพ่อไล่จี้คนโน้นไล่จี้คนนี้แหละฟังไปเรื่อยๆแล้วจะเข้าใจวิมุตติมัรกเป็นเรื่องประหลาดไหม